ในท่ามกลางคนบาปทั้งหลายเนี่ยนะทนที่ล่วงอกุศลกรรมบทในท่ามกลางสังคมคนทุศีลทั้งหลายแล้วจะเอาอะไรมาฟังธรรมเพราะถ้าเกิดในสมัยในยุคที่คนเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิยากนะนะยากจริ ง, งท่านพระองค์บอกว่าไม่ใช่สมัยเลยแล้วเรากลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิเต็มตัวด้วยอะไรจะเกิดขึ้นปฏิเสธเพราะเราคบแต่คนชั่วใช่ไหม <laughs> เราก็ฟังแต่อสัตธรรมเมื่อคบคนชั่วฟังแต่อสัตธรรมเราก็กลายเป็น คนชั่วติดเชื้อเชื้อเนี่ยมันร้ายกว่าเชื้อเอชเชื้อไวรัสสารพัดชนิดในโลกเนี่ยนะครบคนพาเนี่ยเป็นเชื้อโรคที่เลวร้ายที่สุดในในโลกเพราะว่าเป็นเชื้อที่ก็บอกว่าเชื้อโรคในโลกนี้อย่างมากก็ป่วยตายชาติเดียวแต่เชื้อของบาปอกุโสลธรรมเชื้อของมิจฉาทิฏฐิที่มาจากบุคคลคนที่มีวิปริตทั้งหลายเนี่ย อะไรจากอบายสู่นบายจากทุกติสู่ทุกติจากคันสู่คันจากที่มืดสู่ที่มืดอยู่นั่นแหละมมีจบมีสิ้นมันถา้าหากว่าเกิดมาในสถานที่ใกล้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ถ้าเรากลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าใครศึกษาให้ดีๆเนี่ยจะรู้ว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นไม่ยากเป็นง่ายมากเนี่ยนะเป็นไม่ยากเลยพันหลายคนที่บอกแม้มั่นใจอย่างงั้นมั่นใจอย่างนี้โอ้ก็เห็นเปลี่ยนมาเยอะแล้วเนี่ยนะ อ, อะไรมาเป็นตัวมมั่นใจ อ, อะไรเป็นตัวรับรองรับประกันทํำท่าจะบรรลุมรรคผลให้ได้แต่ที่ไหนได้กลายเป็นคนโกงที่สุดใครจะไปรู้พันถามว่าแล้วเอาอะไรเป็นตัวยืนยันแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราไม่พลาด อ, าอะไรเป็นตัวรับรองอริยาศาสจะทำเราเห็นไหมเป็นต้นพันถ้าหากว่าเมื่อเราทั้งหลายประมาทนี่ก็แทบจะถ้ากลับไปเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ทุกอย่างก็จบเลยถือว่าฆ่าสัตว์ได้บุญเข้าเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้น อย่างบางคนเนี่ถือว่าการผิดศีลแล้วได้บุญเนี่ยไหมมันก็ทําบาปยิ่งทําบาปใจก็ยินดีในการทําบาปคิดว่าฆ่าสัตว์คือการส่งสัตว์ไปสวรรค์อะไรจะเกิดขึ้นได้ยังไง ก, ก็จะยินดีในการทําบาปขนาดไหนมันก็เลยทําบาปได้อย่างไม่เคอะไม่เขินทําอย่างมีความสุขทําอย่างหน้าชื่นตาบานทําอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะคิดว่าส่งสัตว์ไปสวรรค์เข้าเนี่ยนะ มันก็มันถ้าหาว่าคดโกงแบบที่เรียกว่าไม่มีกรรมไม่มีผลก็โกงอย่างหน้าชื่นตาบานทุจริตทําได้อย่างที่เรียกว่าไม่มีเฮริโอตาปะเลยนั้นอย่างคนที่ผิดศีลข้อสาก็เหมือนกันเลยนะพันก็อย่างว่าเก็บสถิติในการผิดการเมสุมิชฌาจารว่าสามารถทําได้มากขนาดไหนภายในหนึ่งเดือนนี่นะภายในหนึ่งปีเนี่ยทำได้ชีวิตนี้จะต้องกรเมอี ก, กี่ครั้งอะไรพวกนี้มันทำสติเอาไว้ประจําตัวเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เกินไปเพรันธ์ถ้าใครที่เกิดมาในยุคสมัยที่ ผิดพลาดเนี่ยยากมันถ้าเป็นคนเป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็แก้ยากนั้นขณะที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่ใช่สมัยที่จะประพฤติพรหมจารย์เป็นไปได้หรือที่เราจะไม่เป็นมิจฉาทิฐิเพราะว่านึกถึงว่าพระอริยะบุคคลหลายท่านก่อนที่จะมาบรรลุมรรคผลก็เป็นมิจฉาทิฐิดีว่าเกิดในสมัยพุทธเจ้าถ้าไม่เกิดในสมัยพุทธเจ้าแล้วใครจะโปรดเขาได้เนอของเรานี่ถ้าไม่ใช่สมัยที่มีพระพุทธศาสนาแล้วใครจะโปลดเรานะนะแล้วใครจะสงเคราะห์เราแล้วเราจะมีคําสอนอะไรเนอ มันถ้าเราสังถามใจเราเองเถอะว่าแม่แน่ใจขนาดไหนทุกคนรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วล่ะว่าไงแต่มั่นใจขนาดไหนอะแล้วเอาอะไรมามั่นนะคะันนียแหวนเพชรแหวนพลอยแหวนตะกัวแหวนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะมันถ้าจําคําสอนไม่ได้มันอย่าคิดนะว่าจะมั่นใจอะไรได้ซักอย่างถ้าไม่มีอัตตาสัมมาปณิทิสไม่เจริญมงคนเอาไว้ให้เพียงพ้อมีอะไรมั่นได้หรอกนี่ยนะหลุดหมดอะไรกัน ทนี้ต่อไปเกิดในมัชชิมชนบทเลยแหละเกิดใกล้วัดใกล้ว่าเกิดใกล้ตู้พระไตไปดกแต่กลายเป็นคนปัญญาซามแปลภาษาไทยว่าปัญญาอ่อนเนี่ยโง่เขางมงง่ายจำหน้าลืมหลังจําซ้ายลืมขวาโอ้ยเนี่ยนะจำอะไรไม่ได้พุทธพจน์ก็จําไม่ได้นั่งตรงไหนก็น้ําลายยืดฟังดีฟังชั่วฟังบุญฟังบาก็ฟังไม่ออกเลยนะไม่รู้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้เสียงได้ยินแต่เสียงสูงสูงต่ํๆาๆำเขาบอกงั้น ยังหลายคนมาบ่นให้ฟังแบบโอ้ไม่รู้ท่านพูดอะไรกอม่รู้เขาฟังกันพูดฟังได้ยินแต่เสียงไม่รู้ว่าท่านพูดว่าอะไรพูดให้เป็นอะไรเขาฟังไม่เข้าใจเลยเขาฟังอันนี้ใครว่าไม่รู้อัฏฐะแห่งสุภาษิตทุพภาษิตไม่รู้ดีรู้ชั่วเลยฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วหลายคนบอกไม่อยากจะรู้เรื่องด้วยนี่สิมันก็เลยหนักมากไอ้ฟังกอม่รู้แล้วไม่อยากจะรู้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องมาใส่ใจใครขอร้องให้ท่านแนะนํำว่างานหนักขนาดนั้นนี่ก็มีท่านก็ถ้าเป็นคนลักษณะนี้เนี่ยนะ นี่เขาไม่ใช่สมัยไม่ใช่กาละที่จะรักษาศีลเจริญอที่จิตอบรมาที่ปัญญาไปแล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยนะหมดสมัยที่จะเห็นอริยสัจหมดสมัยที่จะกําหนดรู้ทุกเพราะอะไรเพราะงโง่เกินไปที่จะเห็นอริยสัจเพราะนั้นเรารู้ได้ยังไงว่าเราปฏิสนธิเราจะไม่เป็นอาเหตุตุกขารู้ได้ยังไงว่าปฏิสนธิของเราไม่จะไม่เป็นทวิเหตุเพราะนักเรียนโรงเรียนปัญญาอ่อนไม่ใช่น้อยเนี่ยนะโรงเรียนเรียกว่า ด, ด้อยทางคุณภาพทางสติปัญญาเนี่ถามว่าเยอะไหมในเมืองไทยเนี่ยมีเท่าไหร่เะนั้นคน ปัญญาอ่อนเนี่ยเยอะมากแต่ว่าหลายๆคนก็อ้างเหตุโน่นเหตุนี่อ้างพ่ออ้างแม่โทษโ น, น่นโทษนี่แต่จริงๆแล้วอะกรรมประเภทสายสุรามันให้ผลเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดในลักษณะนั้นก็เรียกว่าอ่อนทางสติปัญญาเลยแหละหมดคุณภาพทางสติปัญญาก็ไม่พอที่จะอะไรนะน้ํามันราชสีเนี่ยนะใช้กระทะรั่วๆมาตักได้ไหมไม่ได้ฉันใดถ้าภาชนะไม่ดีก็ รองรับน้ํามันราชสีไม่ได้ฉันใดใจที่ขาดปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรองรับพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรองรับอธิศีนทิจิตอธิปัญญาไม่สามารถที่จะรองรับสมถาวิปัสนาอภิญญามักผลนิพพานได้หรอกเพราะฉะนั้นจะต้องมีจิตที่มีคุณภาพเนี่ยนะพันเรารู้ได้ยังไงว่าชาติต่ตอไปใจของเราต้องคุณภาพเอาเอาจิตตัวไหนนําเกิดนะเอาเอ า, มาเมล็ดพันธุ์ตัวไหนนําเกิดแล้วเีปัญญาดีจริงๆเลยว่างั้นฉลาดจริงๆแล้วเอาเจตนาตัวไหนนําเกิด มันถ้าปัญญาอ่อนก็หมดสภาพแล้วว่างั้นหมดคุณภาพอีกข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกมีปัญญาแต่ว่าไม่ได้ฟังธรรมฉลาดหัวดีรู้หมดไม่ได้ฟังธรรมเลยอ่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงให้เขาฟังเลยซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาดูแล้วนะพระองษ์จึงแสดงธรรมคนดีคนเก่งคนฉลาดคนมีความรู้ความสามารถมัวแต่ทํามาหากินอย่างเดียวพอทําคิดว่าพออยู่พอกินตายพอดีเลยวันก่อนไปงานศพคุยโอมคนหนึ่ง เขาบอกว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยกับภริยาของเขาเนี่ยทํามาหากินตอนนี้ก็พอลืมตาอ้าปากได้แล้วกําลังเสวยสุขเขาก็มาจากผมไปเขาบอกงั้นเชื่อหรือว่าผมจะอยู่เงาคนเดียวต่อไปเนี่ยนะก็หาคนใหม่ต่อไปอีกนั่นแหละแต่ก็คิดถต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้นั่งคุยกับโยมคนหนึ่งก็เริ่มมาสนใจธรรมะเหตุผลก็บอกว่าเพื่อนรักพึ่งตายกว่านั้นมันก็นั้นถามว่าเรา ถ้าตายไปแล้วทําอะไรได้คือบางคนเนี่ยนะมัวจะยุ่งเรื่องทํามาหากินเลี้ยงดูครอบครัวก็เรียกว่าตกเข้าไปในวังน้ําวนเมาหมดเลยกันเนี่ยถึงจริงๆแล้วความรู้ความสามารถสติปัญญาพอที่จะเข้าใจคําสอนได้แต่ว่าเอาไปใช้ผิดประเภทหมดเขาเรีย ก, กว่าเหมือนกับว่ามีทุนพอที่จะซื้อซื้อของมีค่าได้แต่ว่าไปกระจายละเลงกับน้าเมาเป็นต้นหมดเรียกว่าใช้เงินผิดประเภทฉันใดหลายคนมีปัญญาแต่เอาไปจําอะไรก่อใหม่รู้ จำในเรื่องที่ไม่ควรจําไปรักษาในสิ่งที่ไม่ควรรักษาเนี่ยนะไปจําเดร์ฉานกระถาร้องเพลงได้เพลงแล้วเพลงเล่าร้องได้เป็นร้อยๆเพลงเนี่ยนะแล้วมันทําให้บัรลุอริยสัจข้อไหนได้บ้างมันก็ไม่รู้ใบได้เนี่ยนะมีความสุขกับการร้องรําทําเพลงเต้นรําดูงานคอนเสิร์ตไปก้ะถาวัาแล้วหมดเวลาชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว เพราะพระพุทธศาสนามีอยู่ปัญญาก็พอมีอยู่แต่ไม่ยอมสนใจยังไงนะเหมือนกับว่าพระไตรปิฎกมีอยู่อ่านก็อ่านภาษาไทยรู้เรื่องแต่ว่าอ่านหนังสือพิมพ์ดีกว่างั้นนะมันจะไปมีประโยชน์ตรงไหนว่างั้นชีวิตนี้ก็อ่าพับต่อไปแน่ต้องเรื่องนะงั้นก็ต้องขยันอ่านพระไตรปิฎกแล้วกันอ่านผ่านไปแล้วหลายฉบับก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีนึงนะมันก็ต้องแบ่งแบ่งเวลามาอ่านมากเนี่ยนะไม่ใช่ตาใช้ตาซะหมดสภาพแล้วเนี่ยนะมาทําอะไรได้ แล้วที่เหลือก็กลายเป็นว่าอะไรตาถ้าเขาเขา ค, คุณคุณเรียกตาอะไรตาถั่วไปแล้วเนี่ยนะทาอะไรได้แล้วใครตัดใจไปดกอกก็มองไปเห็นแล้วมันก็ต้องพยายามที่จะแบ่งเวลาขวนขวายเพราะปัญสติปัญญาก็พอมีความรู้ความสามารถก็พอมีแต่ใช้ของผิดประเภทก็เลยกลายเป็นตอนท้ายก็บ่นว่าเจอไม่งามเมื่อยามขวานบินไปฟันหินฟันอะไรสารพัดชนิดหมดแล้วเนี่ยนะไปจ้ามขยะมูลฝอยเต้มใจไปหมดรกใจไปหมดเลยนะ เสรแล้วมาเจอสาระเอาบอกวัตทุกเต็มแล้วเอาก็ทิ้งของเก่าบอกมันทิ้งไม่ได้คำว่านนะั้นอนุรักษ์นิยมอีกเก็บไว้ตั้งนานจะให้ทิ้งได้ง่ายๆ ย, ยังไงคำว่างั้นเนีย่ยนะเขาอุตส่าห์ไปจําเรื่องโน้นเรียนเรื่องนี้โอ๊ยมาตัวชั่วชีวิตของเขาเนี่ยเอาก็มันขยะไม่ใช่หรอเขากเก็บรักษามานานก็ทิ้งไม่ได้หรอกคำว่างั้นเออให้มันอะไรอย่างงี้สิเข้าก็เจอหลายๆคนเข้าไปเนี่ยโอ้ยขอข้าพเจ้าอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยตอนนี้ชักกลัวนะกลัวายุมากไอ้กลัวนี้ไม่ได้กลัวแก่หรอกรอ ก, กลัวว่า ถ้ายุมากแล้วเรากลัวจะไปเป็นคนแบบนั้นเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะบอกอว่ามันฆ่าตัวตายชัดๆฆ่าตัวตายในสังสารวัตรแบบเลือดเจียนมันว่างันน่าสงสารจริงนะจําได้แต่ความหลังที่ไม่ได้บุญอะไรเลยเนี่ยนะไปที่ไหนก็พูดอยู่แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องเลย น, น, นะพูดแต่ขยะมูลฝอยความเลวร้ายที่ตัวเองไปทํามาดีไม่ตายตอนนั้นไปนรกแน่นอนเหมือ น, นมันก็หลายๆคนเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะสงสารตัวเองเหมือนกันให้เยอะๆนะว่าเราเนี่ยเก็บสาระให้แกชีวิตเราขนาดไหนเพมัน ไม่มีใครที่จะสาบแช่งเราได้เท่ากับใจเราหรอกไม่มีใครที่จะให้พร อ, อันประเสริฐได้เท่ากับใจเราเพราะว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าพราะองค์ก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายเท่ากับจิตที่ไม่ได้ฝึกแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมีคุณมากเท่ากับจิตที่ฝึกแล้วเราเอาข้อมูลอะไรมาฝึกเอานะมาป้อนจิตให้มีการฝึกจิตข่มจิตปราบจิตยกจิตเนี่ยนะเพราะจิตทั้งหลายเนี่ยนะสมัยที่นิวรณ เช่นธีนะมิทานิวรนกลุ่มรุ ม, มเป็นต้นเป็นสมัยที่ต้องยกด้วยธรรมวิจยะวิรยิยะและปีติสัมโพชงถ้าไม่มีข้อมูลโพชงเหล่านั้นเอาอะไรมายกถ้าตอนไหนที่ใจฟุง้งซ่านเป็นสมัยที่จะต้องข่มด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบขาสัมโพชงถ้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโพชงเหล่านี้นเลยแล้วเอาอะไรมาข่มจิตแล้วทีนี้จิตของเราแล้วเราเปิดข้อมูลให้เราเรียนรู้อบรมคุณธรรมพอที่จะ ฝึกจิตยกจิตข่มจิตกำหนดทิศทางของใจเนี่ยนะให้ไหลไปตามกระแ ส, สโสตาปฏิยังฆาธรรมถ้าไม่มีการกำหนดแบบนั้นและยากว่างั้นเถอะมันก็อย่างว่านะใครว่าไปคบคนมีศีลมีธรรมบอกอย่าลืมกรวดน้ําให้มั่งเนิ่เนี่ยนะหลายคนก็บอกหวังว่าเออเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วเผื่อเขาจะกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เราบ้างถ้าพอดีเกิดชาตินั้นหูหนวกเขา้าไม่ได้ยินเสียงอุทิศส่วนกุศลจะทํำยังไงเขา้าคะเนี่เอา มันก็ลําบากเหมือนกันนะมันก็ต้องพยายามควนควายในการเจริญกุศลให้เต็มที่สาตร์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนหรือเราใจดําอมหิทธึงขนาดว่าไร้ความเมตตาปราณีกับตัวเองช่างมันช่างเพือกช่างมันไปเรื่อยๆท่าย่างงี้ก็ขอมาว่ามันอยู่คนละกระนาโลกมันกลมไหมอยู่คนละข้างมันดีที่สุดนะให้มันแบบยืนตรงไหนก็ให้มันข้างกันตลอดเลยนะไม่มีโอกาสโคจรไปเจอกันเลยคนประเภทนั้นคนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยนะ โดยเฉพาะถ้าคนนั้นจะเป็นเราด้วยจะน่าสงสารขนาดไหนบอา้อาวทําไมพูดอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างอื่นได้นี่พูดอย่างนี้ได้เพราะคําสอนทิ้งคําสอนเมื่อไหรก็พร้อมที่จะเป็นอื่นไปได้หมดอนะันนี้มีสาระหรอกนะเหมือนกันนะอาศัยสาระพันธาแล้วเราให้ใจของเราเป็นไปกับสารณะได้บ่อยขนาดไหนถ้าเราไม่ไม่ให้ใจของเราเป็นไปกับสาระนะใจที่ไปคิดทุกเรื่องนั่นคือการเพราะเชื่อหมดเลยเพาะเชื่อที่มันสามารถแปลสภาพไปเป็นอะไรก็ได้ ใจของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะแปลไปได้กับทุกเรื่องได้หมดเลยเพราะันจะต้องมากำหนดกฎเกณฑ์กำหนดทิศ ท, ทางให้มันดีๆไม่งั้นก็เราก็เห็นแต่ความฟุ้งซ่านที่มันอยู่ในใจเนี่ยลำบากแล้วล่ะเพราะฉะนั้นขณะและสมัยที่ไม่ใช่เวลาที่จะประพฤติพรหมจรรย์มี8ดอย่างหนึ่งเกิดในนรกสองเดรฉานสเปรต4 4. เป็นอสัญญสัตว์ห้า เป็นพวกมิลขปะปัจจันตชนบทเผ่าไหนก็ไม่รู้แล้วก็ 6. เป็นพวกมิจฉาทิฐิถึงจะอยู่ใกล้วัดใกล้พระไตรปิฎกก็ไม่มีประโยชน์ 7. ปัญญาอ่อนเนี่ยนะปัญญาอ่อนโง่เขางมงงายพิการทางสติปัญญาเนี่ยนะ 8. ไม่ยอมสนใจพระธรรมเลยเนี่ยนะหัวดีสติปัญญาดีฉลาดดีแต่ไม่ยอมขวนขวายในการศึกษาเลยช้อใช้ชีวิตเปลืองไปวั น, วนหนึ่งหมดสิ้นไปวั น, วนหนึ่งันนน ใช้ชีวิตเปลืองไปวันวนหนึ่งหมดเวลาชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะพ้นขณะเดียวเท่านั้นที่จะประพฤติพรหมจรรย์บอกว่าขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีอย่างเดียวประการเดียวเป็นฉนะไหนดูก่อนพี่สุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระาหันไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ เสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารทีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยทําเป็นผู้มีความจำเริญจําแนกทําสั่งสอนสัตว์พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นน่ะนะเป็นธรรมเครื่องนําความสงบมาให้เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่อการรู้พร้อมอย่างที่เราสวนนะ่ะน อนิยานิโกอุปามิโกปริณิพานิโกสัมโพธคามีสุขตบปเวทิโตเนี่ยน ะ, ะพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปริณิพานเป็นไปเพื่อสัมโพธคามีตรัสรู้พร้อมคืออริยมรรคที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้ว บุคคลนี้เกิดในมัชิมะชนบททั้งมีปัญญาไม่บ้าใบ้าสามารถที่จะรู้อัฏะแห่งสุภาษิตและทุภาษิตได้แยกดีแยกชั่วยแยกบุญแยกบาปเข้าใจวัตถุประสงค์ได้ดูกรพิสูจน์ทางานานี้เป็นขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีอย่างเดียว คือสมัยที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาตาไม่พิการไม่พิการทางตาหูจมูกลิ้นกายและปัญญาเนี่ยนะไม่พิการทางร่างกายสามารถที่จะแบ่งเวลา ที่จะมาศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนได้เนี่แหละคือสมัยขณะเดียวเท่านั้นโอกาสอันนี้เหลืออีกกี่ชั่วโมงเนี่ยนะเรามีชีวิตเวลาชีวิตอีกกี่ชั่วโมงที่จะศึกษาคําสอนนัเอาเวลาที่เหลือไปทําอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องคิดกันเป็นรายชั่วโมงรายนาทีแล้วมีเวลาชีวิตอีกกี่นาทีเนี่ยนะแล้วกี่นาทีเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรเนี่ยนะหรือว่าไม่สงสารตัวเองเลยนะแแช่งตัวเองก็ตามใจพวกนั้น เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าชนเหล่าใดเกิดในมนุษย์โลกแล้วเมื่อพระตถาคตทรงประกาศสัตธำมไม่เข้าถึงขณะชนเหล่านั้นชื่อว่าล่วงขณะชนเป็นอันมากกล่าวเวลาที่เสียไปว่ากระทำอันตรายแก่ตนทุกคนบ่นเหมือนกันบอกเสียเวลามากเสียเวลามากทุกคนพูดเหมือนกันว่าเวลาที่เสียไปนี่ทาอันตรายแก่ตน พระตถ า, าคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ในการบางครั้งบางคราวเท่านั้นเดี๋ยวศึกษาพุทธวงศ์แล้วจะรู้ว่าบางกับพระพุทธเจ้าองค์เดียว ว่างไปอสงไข่กับบางทีหนึ่งอสงไข่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอย่างเวลาหนึง่งสี่อสงไข่เนี่ยนะอสงไขยที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น4องค์ทีปางกรมีทางกรตันหังกรสารนังกรเนี่ยนะสองค์แล้วก็หมดไปหนึ่งอสงไข่ผ่านไปพระพุทธเจ้าโกนทัญยะเกิดมาอีกภายในหนึ่งอนึงสายแล้วผ่านไปพระพุทธเจ้ามังคละเกิดมาอีกหนึ่งอสงไข่บางทีบางอาสงไข่มีแค่องค์เดียว ไม่รู้กี่หมื่นล้านกับโกรธกับหลายๆโกรธกับเนี่ยมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แค่องค์เดียวเท่านั้นบางทีเนี่ยภายในแสนกับมีกี่องค์เองเนี่ยนี่ก็พระพุทธเจ้าปทุมุตระเท่านั้นเองเนปะปฐุมุตระมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่กี่องคเองเนี่ยตลอดแสนกับเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองว่าเราจะพบแต่พระพุทธเจ้าโดยแท้แล้วใครที่ทําบุญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าบ้างพอที่จะไปพบกับท่านเหล่านั้น เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเท่านั้นการที่พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหนึ่งอันเนี้ยสิ่งที่ยากนะหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสองการได้กําเนิดเป็นมนุษย์3การแสดงพระศัทธรรมของพระองค์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเราเป็นมนุษย์พระองค์แสดงธรรมที่จะพร้อมกันเนี่ยพร้อมได้สอย่างนี่หาได้ยากในโลกมีอยู่สูตรหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่ยากอันหนึ่งนะก็เหมือนกับว่า คนที่ยืนอยู่ขอบทะเลฝั่งตะวันออกโยนบ่วงเข้าไปกลางทะเลเต่าตาบอดตัวหนึ่งโผล่เข้ามาถูกสวมบ่วงครุกอันหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ยากอย่างนั้นข้อที่สองเหมือนกับคนที่ไปยืนฝั่งทะเลด้านทิศใต้สุดกูเลยนะกว้างบ่วงเข้ามาถูกเต่าตัวเดียวกันนั่นแหละคลุกตรงหัวบอกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก แล้วก็เหมือนก็ไปอยู่ทิศตะวันตกแล้วก็โยนบ่วงจากทิศตะวันตกคล้องมาถูกเตาตั ว, ตวเดียวกันนั่นแหละครบพอดีเท่ากับการฟังธรรมแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าที่เหมือนกับว่าคนที่ยืนทะเลฝั่งเหนือเพราะงั้นฝั่งเหนือทะเลสุดแล้วก็คว้างบ่วงมาสวมคอพับนั่นการเห็นอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นที่จะประสบแบบนั้นเนี่ยถือว่ายาก เพราะฉะนั้นที่จะได้อย่างนั้นเนี่ยยากชนผู้ใคร่ประโยชน์จึงควรพยายามในการดังกล่าวมานั้นซึ่งหลายๆอย่างเราก็ได้แล้วอย่างเทพพญายดาเขากล่าวสมัยพุทธกาลบอกว่าบัดนี้ขณะเขาได้แล้วเนี่ยนะประโยชน์เราต้องสําเร็จแน่และพระองค์เตือนไว้ในอักขณะสูตรอีกว่า เพราะฉะนั้นผู้ที่ใครประโยชน์ควรพยายามในการดังกล่าวที่ตนพอจะรู้เข้าใจพระสัทธรรมพอที่จะเข้าใจสติปทานสัมมรปรทานอธิบาตอินทร์พสะโพชงองค์มักได้ขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเลยเพราะว่าบุคคลที่ปล่อยขณะวันเวลาให้ล่วงไปก็พากันยัดเยียดอยู่ในนรกพากันเศร้าโศกมากอยู่แล้ว หากเขาจะไม่สําเร็จอริยมรรคอันเป็นธรรมะตรงต่อพระสัพทธรรมในโลกนี้ได้เขาก็เป็นผู้มีประโยชน์อันล่วงเสียแล้วพันท่าพลาดจากการตรัสรู้มรรคผลก็เหมือนอย่างว่าถ้าผู้ใดพลาดจากมรรคผลพลาดจากการตรัสรู้ธรรมก็เหมือนพ่อค้าชื่อว่าเสรีวะพลาดจากเงินแสนหนึ่งหลุดต่อไปต่อหน้า ต, ต่อตาฉะนั้นจากเดือดร้อนสิ้นกาลนานเหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยให้ ประโยชน์ล่วงไปเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นเหมือนพ่อค้าเนี่ยนะเขาค้าขายจนร่ำรวยมาตัวเองเพิ่งตื่นงวงเงียมาเพิ่งกำลังคิดจะขายฐานอย่างเงี้ยทำอะไรได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยคือคนผู้ถูกอวิชชาพุ่มห่อไว้พรากใจจากพระสัตธรรมคือโพธิปัธจยธรรมจักสเสวยแต่สังสารวัฏคือขันขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปเป็นชาติชรามรณะสิ้นกาลนานน น, น, นะก็ไหลไปเถอไหลไป ชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าชาติชรามรณะโซโกะปริเทวะทุกโธมนัตอุปาญาก็มีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกขอย่างลงแล้วทำชนะนายการทําที่สุดแห่งทุกขจะมีชาติมีได้แก่เราได้ถ้าไม่พึ่งพระพุทธเจ้าแล้วจะพึ่งใครและเนี่ยจะแก้ปัญหาออกจากวัตฏทุกขเหล่านั้นได้อย่างไรอยากเชื่อคําโซโฆสนาหลอกลวงง่ายๆนะมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นหรอกนนะ เพราะฉะนั้นเมื่อชนเหล่าใดที่มีอัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถ า, าคตประกาศสัจธรรมได้กระทำแล้วเขาเนี่ยได้เคยปฏิบัติตามพระสัตรธรรมกำลังปฏิบัติในพระสัจธรรมจักปฏิบัติในพระสัตรธรรมปฏิบัติตามพระดํารัสของพระาศาสดาชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ประสบขณะคือการประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลกเพราะขณะที่เราจะได้สมาทานศรรีลรักษาศรรษีลไม่ใช่ขณะง่ายๆขณะที่จะได้อบรม โหที่ปัจจยธรรมทั้งหลายไม่ใช่ที่ขณะที่หาได้ง่ายๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นชนเหล่าใดเดินตามมรรคคืออริยมรรคที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วสังรวมในศีลสังวรที่พระตถาคตเจ้าประกาศพระองค์ผู้มีจักษุเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์แสดงแล้วคุ้มครองทวารในอินทรีย์มีสติทุกเมื่อไม่ชุ่มด้วยใจที่เศร้าหมองตัดอนุสัยที่เป็นกิเลสมีกําลังทั้งปวงเล่น อนุสัยที่เล่นไปตามกระแสบ่วงมารชนที่ปฏิบัติตามอธิสินอธิจิตอธิปัญญาศิกษาตามที่กล่าวแลว้ว บรรลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่งคืนนิพพานในโลกเนี่ยนะมันอันนี้เป็นขณะพันเทวดาเหล่านั้นในสมัยพุทธการตอนที่พระองค์แสดงยงมกะปาฏิหันเขาดีใจว่าเขาได้ขณะแล้วมันทุกคนมีปีติปราโมทกล่าวว่าพุโทโธพุโทโธด้วยความปราบปลื้มใจดีใจประคองอัญเชลีนอบน้อมาพุโทโธพุโทโธเนี่ยดีใจมาก น, นะเรายังดีใจอยู่หรืหอเปล่าก็ไม่มทราบพุโทโธพุทโธเนี่ยนะมัน ในหน้า122เนี่ยนะกล่าวถึงว่าพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายพระธรรมสังคีติกาจารย์เนี่ยนะกล่าวถึงรู ป, ปกายรู ป, ปกายและธรรมกายของพระพุทธเจ้า Chest. รู ป, ปกายคืออะไรรู ป, ปกายคือสรีระธรรมกายคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาวิมุตินั่นแหละว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีผู้เสมอเหมือนในพระรู ป, ปกายเนี่ยนะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในพระธรรมกายคือในศีลสมาธิปัญญาและวิมุติ เพราะพระองค์นี้เสมอกับพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครเสมอในการประกาศพระธรรมจักรเยนะปัพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในพระรูปประกายพระรูปประกายของพระองค์นั้นประกอบพร้อมด้วยอะไรมัง่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่าพระองค์เนี่ยร่างกายประกอบด้วยมหาบริศลักษณะ3 2ประการอนุพยัญชนะ80บประการมีพระสมีที่ร้างออกจากพระวรกายเป็นต้นนั่นเอง และขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้ที่มีศีลทั้ง4อย่างอนะปาติโมขสังวลอินทรียสังโวลปัจยะสันนิสิตศีลอาชีวปาริสุทธิศีลพระองค์มีสมาธิสามนะมีสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารเนี่ยนะมันสมาธิที่มีปิติเป็นต้นนะท่านพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมาธิสาม หรือว่าโลกิยะสมาธิโลกุตระสมาธิพระองค์มีปัญญาทั้งที่โลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาโลกิยะปัญญาไม่ว่าจะเป็นอาสาธรรณะยานเป็นต้นเนี่ยนะโลกุตระปัญญาก็คือมัคคปัญญางนั้นพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในรูปภรายไม่มีใครเสมอเหมือนในศีลสมาธิปัญญาวิมุต พระองค์เสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเท่านั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ปังกรเมทางกรสารนางกรตันหังกรโกนทัญญามังคละสมณะเป็นต้นเท่านั้นพระองค์จะเหมือนกับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นพระองค์จะไม่เหมือนบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีใครเสมอพระองค์ก็เสมอกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ไม่มีใครเสมอเหล่านั้นโดยพระคุณเนี่ยนะโดยพระคุณนั่นไม่ใช่สรีระนะเหมือนกันโดยพระคุณ พราะฉะพระองค์ชื่อว่าเสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอและต่อไปก็กำแสดงกําลังทางพระกายของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปว่ากําลังพระยาช้างสิบเชือกเป็นกําลังปกติในพระกายของพระองค์กําลังกายของพระองค์เนี่ยเท่ากับช้างสิบเชือกช้างฉาดทันนะเดี๋ยวค่อย้ลำดับอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยกําลัง พระวรรธิคือกำลังริดแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกับพระองค์ในการประกาศพระธรรมจักรคือเทศนายานเนี่ยนะอธิบายว่าพระองค์นั้นมีกําลังเท่ากับช้าง10เชือก10เชือกคือช้างฉัดทันเนี่ยนะอธิบายว่าจริงอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีกําลังอยู่สองประการเรียกกาลังของพระตถาคตมี2 อ, อย่างกําลังกายกับกําลังญาณกําลังกายกับกําลังปัญญาว่ากันกำลังกายนี้รู้ได้ยังไงรู้ได้โดยเทียบกับช้าง สิบตระกูลบอกว่ากําลังของผู้ชายหนุ่มแข็งแรง10คนเท่ากับกําลังช้างกาลาวะกะหนึ่งเชือกกําลังช้างกาลาวะกะสิเชือกเท่ากับกําลังช้างคังเขยะหนึ่งเชือกกําลังช้างคังเขยะ10บเชือกมีกําลังเท่ากับช้างบรรดระหนึ่งเชือกกําลังช้างบรรดระ10บเชือกเท่ากับกําลังช้างตัมพระหนึ่งเชือก กำลังช้างตามพระสิบเชือกมีกําลังเท่ากับช้างปิงฆะหนึ่งเชือกกําลังช้างปิงคละ10บเชือกมีกําลังเท่ากับพญาช้างคันทะหนึ่งเชือกกําลังช้างคันทะ10เชือกมีกําลังเท่ากับช้างมังฆะหนึ่งเชือกกําลังช้างมังคละ10บเชือกมีกําลังเท่ากับช้างเหมะหนึ่งเชือกกําลังช้างเหมะ10เชือกมีกําลังเท่ากับช้างอุโบสดหนึ่งเชือกกําลังช้างอุโบสถ10บเชือกเท่ากับกําลังช้าง ชัดทันตะหนึ่งเชือกําลังช้างฉัดทันตะสิบเชื่อกเป็นกําลังของพระตถาคตพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นถ้า อ, อ, อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ากําลังนารายหรือกําลังเพชรเนี่ยกำลังวชิระกําลังเพชรของพระตถาคตถ้าสรุปรวมบอกว่ากําลังของพระองค์เท่ากับกําลังช้างพันโกดพันโกดโกด ก, ก็10ล้านใช่ไหมโกดหนึ่งก็10ล้านเอ่อเท่าไหร่พันโกธประมาณ10ื่นล้านใช่หมื่นล้านหรือแสนล้าน ก็ประมาณแสนล้านเท่ากับกําลังช้างประมาณแสนล้านนะนะหมื่นล้านแสนล้านนั่นแหละเท่ากับกําลังของผู้ชายทั่วไปเนี่ยนะก็คือสิบพันโกดธเนี่ยนะสิบพันโกดคิดเอากละกันว่ามันมากแต่กําลังกายไม่ใช่เป็นตัวเห็นอริยสัจ กำลังปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นอริยสัจตรัสรู้ธรรมที่นำออกจากทุกเพราะฉะนั้นกําลังพระยานนั้นหาประมาณมิได้กําลังพระยานของพระองค์เช่นทศพลยานสิบประการเนี่ยนะฐานาฐานายานเป็นต้นเนี่ยนะกำลังอะไรพระองค์เนี่ยมียานที่ทาให้พระองค์ถึงความแกล้าเรียกว่าจตุสาเวราชายานและพระองค์มีอกรรมปาาัญาายานที่ทาให้พระองค์เป็นผู้ไม่หวั่นไหวใน พระหมณ์บริษัทกษัตริยนะ์บริษัทสมณบริษัทจาตุมดาวดึงยามามานพรมบริษัทพระองค์ไม่ไม่หวั่นไหวไม่ครั่นคล้ามในทุกสมาคมและพระองค์เนี่ยมีพระยานที่กําหนดแยกแยกําเนิดทั้งสี่เรียกว่าจตุโยนิปริเฉทกาญาณญาณที่กําหนดสัตว์ที่เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในใเท่าไกลเกิดเป็นโอปปาติกะและรอบรู้กรรมที่นําไปสู่การเกิดเหล่านั้น มันพระองค์จึงรู้ปัญจากคติปริเชทกะายานยานที่กำหนดรู้เลยว่าคติ5คติคือนรกเดรฉาาันเปรตมนุษย์เทวดาทั้งหลายไปอย่างไรและพระองค์ยังมีพุทธญาณอีก14พุทธญาณ14ก็คือญาณในอาสาธระญานหกญาณในปฏิสัมพิทาสีญาณในอริยสัจว์4เนี่ยนะก็เรียกว่าพุทธญาณ14 อาสาธารณายานหกยานในปฏิสัมพิทาสี่แล้วก็ยานในอริยสัจสีรวมเป็น14เรียกว่าพุทธยาน14เพันธ์กำลังของพระองค์ทั้งกําลังกายและกําลังปัญญาพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกําลังส่วนกําลังพระยานอันหนึ่งที่เห็นชัดก็คือพระองค์ไม่มีผู้เสมอเหมือนในกําลังฤทธิในการประกาศพระธรรมจักคือไม่มีผู้อื่นเสมอเหมือนในพระเทศนายานพันเทวดาเหล่านั้นก็เลยพากันนอบน้อมพระตถาคตว่า พระศาสดาพระองค์ใดมีพระคุณทางร่างกายและจิตใจที่กล่าวมาแล้วพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นผู้นำเอกผู้นำผู้เดียวของโลกทั้งปวงขอท่านทั้งหลายจงนมัสการพระศาสดาพระองค์นั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงนมัสการพระศาสดาผู้ประกอบพร้อมด้วยพระคุณทุกอย่างประกอบด้วยองค์คุณทั้งปวงเป็นพระมหามุนีมีพระมหากรุณาเป็นนาถของโลกเนี่ยนะพระองค์นั้นอะนะ สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้งโลกิยะและโลกุตระสมบัติทุกประการถ้ากล่าวแบบตอนเราอย่างนี้ก็คือพระองค์สมบูรณ์ด้วยปุพาจริยาคุณสมบูรณ์ด้วยพระสรีระคุณสมบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยพระพุทธกิจทั้งหลายสรุปว่าสมบูรณ์ด้วยคุณทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระโดยประการทั้งปวงขอเราทั้งหลายจงร่วมกันนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเหมนน ผู้ถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณทุกอย่างเป็นมหามุนีเพราะเป็นมุนีที่ยิ่งใหญ่กว่าพระประเจกพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพุทธสาวกทั้งหลายพระองค์ผู้มีใจกรุณาพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งอันเดียวของโลกเพราะสัตว์โลกเนี่ยนะหวังอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้จะเป็นผู้กําจัดความทุกข์ให้แก่เราท่านผู้นี้จะเป็นผู้ระ ง, งับความเดือดร้อนคือทุกข์ของพวกเราหวังใจว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราได้ พระองค์ก็ช่วยได้จริงๆเนี่ยนะเพราะนั้นสาธุทั้งหลายหวังให้พระพุทธเจ้าช่วยด้วยการถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าเป็นต้นและพระองค์ก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเทวดาเหล่านั้นก็แสดงถึงความนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ที่ควรนอบน้อมนะ พระองค์ผู้ที่ควรเคารพกล่าวว่าพระองค์ควรแก่การกราบการไหว้พระองค์ควรแก่การชมการสรรเสริญการนบน้อมบูชาข้าแต่พระมหาวีระชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ควรแก่การไหว้ในโลกชนเหล่าใดผู้ควรแก่การไหว้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐสดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดเพราะผู้เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีเนยนะแล้วก็ กล่าวถึงพระองค์ผู้ควรแก่การกราบการไหว้ก็คงเป็นพรุ่งนี้ต่อไปกันแล้วกันเสร็สำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้